หลักในการปกครองการศึกษาการเศรษฐกิจของชาติจะต้องดีกว่านี้มากมายและนั่นย่อมหมายถึงว่าประเทศชาติจะเจริญยิ่งขึ้นข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าลักษณะที่สำคัญของพระโสดาบันมีสอย่างคือหนึ่งเป็นผู้ที่ละสักกายทิ่จิได้ 2. เป็นผู้ที่ละวิจิกิจชาได้ 3. เป็นผู้ที่ละศิละะปะปารามาได้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 โดยอาศัยตาดูหรือหูฟังอย่างนี้เป็นต้นแต่พระอริยบุคคลท่านรู้แจ้งว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นต้องเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือระสาสัมผัสต้องเป็นความรู้ที่ออกมาจากภายในและความรู้จากภายในเท่านั้นที่จะช่วยให้คนเราพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆความรู้ทางประสาสัมผัสช่วยให้คนเรารู้ความจริงแท้ๆไม่ได้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 และข้อที่ว่าท่านเอาชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้นั้นในสายตาของปุถุชนก็จะเห็นว่าพระอริยบุคคลก็มีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันนี่แปลว่าถึงแม้จะอยู่ใกล้พระอริยะก็ไม่รู้จักพระอริยะขอได้โปรดเข้าใจว่าตามความรู้สึกที่แท้จริงของพระอริยะนั้นท่านรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตที่แท้จริงนั้น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 แม้ตัวตนอันนี้ก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาที่เที่ยงแท้ยั่งยืนและด้วยการรู้แจ้งอนัตตานี้แหละจึงทําให้พ้นทุกข์ทําให้บรรลุถึงนิพพานท่านเห็นแล้วหรื อ, อยังว่าคนที่ลาสักยญาทิฏฐิได้กับคนที่ยังมีสักยญาทิฏฐิมีความเข้าใจที่แตกต่างกันอย่างไรแต่อย่างไรก็ดี เราจะต้องศึกษาลักษณะของพระอริยบุคคลให้เข้าใจต่อไปอีกอย่าลืมว่าพระโสดาบันนอกจากจะละสักกายทิฏฐิได้แล้วท่านยังละวิจิกิจฉาและศิลพัตตาปรามารได้อีกวิจิกิจฉาแปลว่าความสงสัยความไม่แน่ใจความลังเล ในคำภีได้แบ่งไว้เป็น8ดอย่างคือ 1. สงสัยในพุทธคุณ 2. สงสัยในธรรมคุณ 3. สงสัยในสังฆ ค, คุณ 4. สงสัยในคุณค่าของศีลสมาธิ ป, ปัญญา 5. สงสัยในอดีต 6. สงสัยในอนาคต 7. สงสัยในปัจจุบัน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 และในเรื่องธรรมคุณและสังคคุณท่านก็มีความเชื่อมีความแน่ใจตามนี้ทุกอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณอ่านได้จากหนังสือเรื่องพระรัตนตรัยซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้นานแล้วข้อที่จะพึงสังเกตก็คือถ้าหากเรามีความแน่ใจในเรื่องคุณของพระรัตนตรัยจริงๆแล้ว หรือพูดอีกในย่าหนึ่งได้เข้าถึงพระรัตนตรัยจริงๆแล้วบวทสวดมนตุกข้อในเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นไม่ว่าเราจะนึกถึงบทไหนจะมีความทราบซึ้งทุกบทแม้จะนึกบ่อยๆซ้ำซากอย่างไรก็ไม่มีเบือ่อซึ่งผิดกับปุถุชนไม่อยากจะสวดมนต์มีความขี้เกียจพระมองไม่เห็นประโยชน์แตายิ่งจะต้องให้นึกถึงบ่อยๆก็จะเกิดความเบื่อหน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 จากการที่ท่านมีความเข้าใจทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยและทราบซึ้งในคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคซึ่งเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีความลังเลในอันที่จะตัดสินใจเลือกปฏิบัติแต่ในทางดีเสมอไม่เหมือนกับปุ่ทุชนซึ่งในเมื่อแน่ใจว่าวิธีนี้หรือทําอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ได้เงินได้อํานาจได้สิ่งที่ต้องการแล้ว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 ยังไม่รู้จักตัวเองยังไม่เข้าใจในเรื่องตัวเองพระอริยะซึ่งมีความแน่ใจในเรื่องพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณมีความแน่ใจในคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาและเข้าใจเรื่องตัวเองอย่างแจ่มแจ้งนั้นจะมีข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรหรือทางานอะไรท่านจะมีแนวของการทางาน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 เราละสักยาทิฏฐิได้และอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากพระโสดาบันเป็นผู้ที่ละศิลพุทาปรามาตได้เพราะฉะนั้นการทำอะไรอย่างงมงายโดยไม่เข้าใจเหตุผลจึงเป็นสิ่งที่มีไม่ได้สำหรับพระอริยบุคคลแปลว่าพระอริยบุคคลทุกองค์จะไม่ติดหรือหลงอยู่ในความงม ง, งาย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 วัดหมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณีหรือสิ่งที่ทำกันเป็นกิจวัตรประจำวันและคำว่าศีลวัดในที่นี้ตามความหมายในคำพีหมายถึงศีละละวัดของลทัทธิศาสนาอื่นตัวอย่างเช่นการบำเพ็ญทุกะรากิริยาในแบบต่างๆเพื่อหวังความหลุดพ้นหรือความบริสุทธ พระอริยบุคคลที่ว่าลาศิลปตาปรามาตได้หมายความว่าท่านจะรู้แน่นอนแล้วว่าทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นมีอยู่ทางเดียวคือมัคมีองแ์8เท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอเซวามาโคนัดกันโยทันาศนสะบิสุทธิยาทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะ คำว่าทางในที่นี้หมายถึงมรรคมีองค์แดเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติใดๆที่ไม่อยู่ในหลักของมรรคมีองค์แดถ้าผู้ใดไปยึดถือปฏิบัติเข้าก็แปลว่ามีศิลปตาประามาต์นี่คือความหมายที่แท้จริงตามที่กล่าวไว้ในคำภีการที่ข้าพเจ้าขยายความไปถึงเรื่องอื่นๆก็เพราะเหตุที่ว่าพระอริยบุคคลทุกอง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 ท่านมองเห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างศีลสมาธิปัญญาซึ่งจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้การปฏิบัติทุกอย่างท่านทำไปอย่างเข้าใจเหตุผลชัดเจนจริงๆดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอสัตโธอัตันยูจสันธิเชโทจะโยนโรหาตวากาโศวันตาโศเสวะอุตมะโปริโสคนใดไม่เชื่อ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 ข้าพเจ้าจะนำไปเขียนในตอนต่อไป